สองปฏิกิริยาเมื่อเข้าสังคมใหม่ไม่ได้สะบัดหน้าหนีหรือฝืนเฟลลี่ล้วนสร้างความรู้สึกลบในระยะยาวรู้สึกปลดแยกเข้ากับสังคมใหม่ๆไม่ได้เพื่อที่จะให้ใจของเราเฟลลี่เป็นมิดง่ายไม่ใช่เราจะไปฝืนใจหรือบังคับใจให้ตัวเองสามารถต่อได้ติดกับทุกๆคน เพราะนั่นจะยิ่งทำให้รู้สึกอึดอัดเป็นสังคมเป็นภาระความรู้สึกทางใจลึกๆที่เป็นทุกข์กับการต้องแบกภาระจะทำให้ยิ่งเกิดความรู้สึกต่อต้านรู้สึกไม่อยากเป็นพวกเดียวกันยอมรับตามจริงก่อนว่าอึดอัดกุศลทางใจไม่ใช่เจอปุ๊กแล้วจะมีขึ้นมาได้ทันทีไม่ชอบให้ยอมรับตามตรงว่าไม่ชอบ รู้สึกต่อต้านยอมรับตามตรงว่ารู้สึกต่อต้านแล้วบอกกับตัวเองว่าเรากำลังหาทางออกเลือกคำพูดที่ปรุงแต่งใจของเราเองให้เป็นกุศลค่อยๆเลือกพูดถ้อยคำดีๆในแบบที่น่าฟังในแบบที่จะลงใจที่นอกจากจะทำให้คนอื่นรู้สึกดีรู้สึกเรื่นหูแล้ว ตัวเราเองใจเราเองยังเกิดความรู้สึกที่เป็นกุศลขึ้นมาทีละน้อยด้วยความรู้สึกที่เป็นบวกที่ได้พูดอะไรดีๆที่ได้คิดอะไรดีๆตรงนั้นลหละที่จะก่อให้เกิดความรู้สึกเป็นบวกต่อสังคมขึ้นมาโดยไม่ต้องฝืนบังคับเอาใจใส่ใครสักคนที่รู้สึกเข้ากันได้ และถ้ายิ่งหากว่าเราได้ติดกับใครบางคนที่ทําให้เรารู้สึกดีแม้เพียงเล็กน้อยให้เราใส่ใจกับเขามีแก่ใจที่จะสื่อสารกับเขาในแบบที่ผูกมิตรกันได้เราก็จะรู้สึกไม่ต่อต้านไม่รู้สึกว่าต้องมาฝืนหรือต้องมาใส่หน้ากากกันแบบนี้จะกลายเป็นการพลิกมุมมองแทนที่เราจะรู้สึกว่าสังคมแปลกใหม่นี้แปลกปลอมก็จะกลายเป็นว่า เราอาศัยสังคมใหม่นี้ในการฝึกสร้างกุศลทางใจฝึกสร้างนิสัยที่เป็นมิตรง่าย